เหมือนรบกันอยู่ถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าอาภัยจริงๆแล้วแต่พอเคลื่อนรถได้พักหนึ่งก็เอาอีกคิดถึงหน้า ด, นดานของเจ้านั่นอีกต้องกำหนด จ, จิตเป็นอภัยอีกแล้วๆๆเล่า แ, แ, แต่ไม่ยากเกิดโสมนัสในอกยังฝืนฝืนฝด ฝ, ฝ, ฝตามเดิมเมตตาเปล่งประกายรัศีไม่ออกเสียแล้วสิ ถอนใจยอมรับตามจริงไม่ใช่แค่ยอมรับว่าฉันโกรธแต่ยอมรับแบบเหมารวมทีเดียวว่าเดี๋ยวคงมีความคิดแค้นเคืองพ่อค้าหมูปิ้งตามมาอีกหลายชุดยอมรับตามจริงว่าจิตฉันยังไปไม่ถึงไหนยังทุกข์เพราะโดนกระทบได้อยู่และจะแปลกอะไรกับการทำใจยอมรับก็แค่ยอมรับว่าต้องดูอีกหลายรอบสติดีหน่อย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 ว่าปีติจะแผลงฤทธิ์ผลิตความคิดได้พิสดารสักเพียงใด